สวรรค์ชั้นนานากามภพรูปภพอยู่ และเรือนใหญ่สิงอาศัย มาร่วมงานสําคัญเพิ่มพูนความ เป็นดวงจากสู่แห่งโลกแม้พระองค์ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีสัมมาสัมพุทธเจ้า บนบุขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่ ทุกท่านประสงค์สาขยายผลโปรดตั้งใจฟังด้วยนี้ ในรายเวลา 8 น. ถึงเวลา 9:00 น. รายการเวลา 17 น. ถึงเวลา 18:00 น. รายการภาษาธรรมและนิทานธรรมและ น. ถึงเวลา 19:00 น. น, 19นในราย 21:00 น. ถึงเวลา 22:00 น. ในธรรมะเพื่อชีวิตญาติโยมขออัญเชิญเทวดาเสด็จมาทุกแห่ง สามารถแจ้งผลการรับฟังและสนทนาธรรมกับอาตมาภาพโดยผ่านสื่อช่อง โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้ 2 ก็คือเว็บไซต์ของ เว็บไซต์แรกที่ญาติ 2 สามารถที่จะเข้า โดยจุรรายการแจ้งผลการรับฟังสนทนาธรรมภาวนาภาพได้ผ่านเว็บไซต์ www.wormtham.com และก็ www.prasomrak.com และก็ซื้อช่อง gmail.com gmail.com@yom2 อีเมลได้กัน somrak43@hotmail.com phrasomrak@gmail.com แล้วก็อีกช่องทาง 75 ตามด้วยข้อความแล้วส่งไปที่ 4221200 อันนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันยัดชมแล้วก็ข้อความอีกข้อความหนึ่งสามารถส่ง มาสู่รายการของอาตมาภาพได้จ่านะ 2 ถึง 32110 ญาติโยม 044712 147 ญาติชมเป็นราย จรัติอัตโนจะปรัตสะจะปรังแปลว่ายัตตะวาโยสโตอุปัสสมติแปลว่าผู้ กุฏฐังอปติกุฏฉันโตสังขามังเขติทุชยังแปลว่าผู้ไม่ วันนี้เคยเกิดขึ้นและก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนําธรรมะที่ ความโกรธนั่นเองญาติโยมก็ความโกรธที่ผ่านมาถ้าญาติโยมได้ติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพเป็นประจำก็จะเข้าใจว่าเราจะหาวิธีหาอุบายอย่างไรที่จะระงับความโกรธทํา ซึ่งขั้น 6 ตอนด้วยกันด้วยกันตอน 2 นั้นให้ 3 ให้เรานึก 5 ให้เราพิจารณาว่าความโกรธคือการสร้างทุกข์ให้ให 6 นั้นและ 5 ญาติ 5 พิจารณาความที่ พิจารณาพระจริยวัตรในปางก่อนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา กับญาติโยมสาธุชนว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรเพราะว่าพระพุทธศาสนาของเราถ้าจะว่าไปแล้วนั้นเป็นศาสนาแห่ง ไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วย แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ราย ที่เป็นเพื่อนพุกที่เป็นเพื่อน จะได้ทุกกายทุกใจ ศัพท์ศาสนายุญาติโยมแต่การมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนที่มักโกรธนี่จะไม่ค่อยมีความเมตตากรุณาสักเท่าไหร่ดังนั้นนี่อย่างไรก็ตามเนี่ยญาติโยมเมตตานั้นมีคู่ปรับคือความโกรธนะเพราะว่าความโกรธนั้นเป็น คนบางคนเนี่ยเป็นผู้มักโกรธ ส่วนแต่ก็ไม่ยอมนี้ไปไหนเลยโกรธเนี่ยญาติโยมทั้งที่ไม่ต้องการแต่ ในเรื่องของขั้นตอนในการ วิธีการเหล่านี้น่ะญาติ หลังจากจบบทเพลงแผลไม่ตาแล้วเราจะเข้าสู่ประเด็นขั้นที่ 7 ในเรื่องของทำอย่างไรจะหายโกรธเลยยะจม 7 นั้นเป็นขั้นตอนที่พระให้เราพิจารณาความเคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏนยจมขั้นตอนที่ 7 นั้นเป็น คือสัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาเวียนว่ายตายเกิดที่กําหนดจุดเริ่มต้นท่านผู้นี้บาง ท่านผู้ครั้นคลอดออกมาแล้วเลี้ยงดูบางทีจะเคยเป็นบิดาของเรา เลี้ยงดูมาได้ดูมาได้ๆประกอบสละชีวิตเข้าสู่ค้าขายบ้างสละๆบ้างหา ถึงแม้ไม่ใช่เป็นมารดาบิดาก็อาจจะเป็นพี่ ก็อาจจะ นะ, 8 นะญาติโยม 8 จะเป็นอย่างไรเป็นอย่าง โยม 8 ก็ขั้นที่ 8 นั้นให้เรา 8 นั้นเป็นการพิจารณาอานิสงส์ ความโกรธมีโทษก่อผลร้าย ซึ่งเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดไม่กลับแพ้เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดไม่ 11 ประการ ก็คือหลับก็เป็นสุขคือหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของ เนยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นอานิสงส์ของพยายามทําเมตตาให้เป็นธรรมประจําใจตัวเองให้ได้โดยให้เรา เมตตาเอาชนะความโกรธยังไม่ได้ไม่เข้มแข็งพอนี่ <c oughs> ตอนที่ 9 หน่อยก็แล้วกันให้พิจารณาอย่างนี้ญาติ ที่ถูกที่แท้แล้วก็เป็นแต่เพียงส่วนประกอบทั้งหลายๆเมื่อประชุมกันเข้าแล้วก็สมมุติเรียกกันว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นฉันเป็นเธอเป็นเราเป็นเขา เป็นเราเป็นนายกเป็นนางขเป็นนางสาวกก็หาไม่พบ เมื่อเราพิจารณาตามความจริงแล้วก็แยกให้เป็นส่วนๆได้อย่างนี้แล้ว โกรธวิญญาณหรือโกรธอะไรกันในที่สุดเป็นแต่เพียงสมมุติความจริงก็แต่ธาตุหรือขันธ์หรือนำมาธรรมและก็รูปธรรมต่างๆมาประกอบ แล้วเราก็มาติดสมมุตินั้นเราก็มาติดสมมุตินั้นยึดติดถือมั่นหลงวุ่นวายทำตัวทะลุสมมุติบัญญัติลง อย่างไรก็ตามคนบางคนนั้นจิต 10 มาฝาก หลบเข้ามาสู่ 10 นั้นให้เราปฏิบัติทาน ของปรปักษ์มาเพื่อตนเลยอย่างให้ของของตนแก่เขาฝ่ายเดียวถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรมีปิยวาจาด้วยคืออะไรญาติโยมก็คือถ้อยคําสุภาพไพเราะประกอบเสริมด้วยการให้หรือการแบ่งปันกันเนี่ยญาติเป็นวิธีแก้ความโกรธที่ได้ที่ ทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรเป็นเมตตากรุณาที่แสดงออกในการกระทําดังนั้นท่านจึงกล่าวถึงอานุภาพยิ่ง ฝ่ายผู้ได้รับก็น้อมลงมาเผาร้าวร้อนด้วยทุกข์ที่เรารุมใจ ดังนั้นวิธีทั้ง 10 วิธีที่มาที่มาหรือที่ 1 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 จนถึงข้อถึงข้อ 10 นั้นไม่จําเป็นญาติ ใช้วิธีนั้นตกลงว่าเราจะใช้วิธีนี้เพื่อให้เหมาะแก่จริตของใช 10 ข้อให้ฟัง ขั้นที่ 1 นั้นก็คือให้นึกถึงผลเสียของความเป็นคนโกรธญาติโยมขั้นที่ ขั้นที่ 5 พิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนและขั้นที่ 6 ก็พิจารณาพระจริยวัตร 2 วัน 7 พิจารณาความ 8 พิจารณา ขั้น 9 พิจารณาโดย 10 ก็พิจารณาปฏิบัติคือการให้แบ่ง เขาแผ่ Buong, trong kèm xúc kèm xúc thật Già đây Pia Bạt Việt Biên Sư Càm Gã Càm Rơi Sập Hê Sattà Sập Thăng Lái Thăng Phuồng Trong kèm xúc kèm xúc thật Già đây Mi Quam Phúc Cài Phúc Trại Rơi Trong Mi Tài Quam Phúc Cài รักษาตนให้คนแจกทุกภัยพลด้วย รวมทั้งท่านผู้มีพระคุณที่ได้ให้อาหารและปัจจัย 4 แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากล กะเลปิยายุมระขั้นเท้าสัตตโรคพระภายเจ้าที่เจ้าทาง 4 พระธรณีพระคงคาพระเมรุ และสรรค์สร้างหลายให้ผลบุญอันนี้ว่ายตายเกิด พระเจ้าเขาที่ส่วนกุศลนี้ขอที่ส่วนกุศลนี้เพื่อ ขอคุณส่งผลให้จงเป็นภรวะตะใจทรงพรให้ mais sabai tarot kan ranan chern khun khao krat tha pha ya pha ya khani hon tru de satha lukha vena sattha sothi rawantume yo เอตฺถปุจฺจติยํโพธิสฺสวตฺติจงมีแก่ข้าพเจ้าญาณาสาเวสธรรมมาอิสรายะสัทธาโสติพรหวันตุมิเตเวสอนุภาวายะ ขอความสวัสดีเจ้ามีแก่ข้าพเจ้าอนุสัยอุทรายอนุสัยเดชะสังฆาทุกขเวนาสัทธาโสทีประวันตุเมด้วยเดชะอนุภาพเป็นประสงค์ โยมมีแก่ข้าพเจ้าสาธุ เป็นบทแผ่เมตตาที่ญาติโยมสามารถที่จะนําไปใช้ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ญาติโยมเป็นภาษาไทยแล้วก็ From enmity and danger. May I be free from mental suffering. May I be free from physical suffering. May I take care of myself happen and friends. Fellow Dhamma-Ferris, be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. He is in this compound th ดูเวลาแล้วคง ขอเข้ามาได้ที่เข้ามาได้ที่ 044712147 ญาติโยมเป็น CD ที่จะทําหรือโทรศัพท์มาแจ้งขอรับได้ที่ 0862602702 อ่าหรือขอไปได้ 43hotmailcom 43 ประสมรัก@gmail.com หรือขอผ่านทางเว็บไซต์ของทางรายการ 32110 ญาติ ขอมาได้เลยมาได้เลยนะวันนี้ต้องขอ the guardian devas be free from enmity and danger be free from mental suffering be free from physical sufferings may they take care of themselves happily may all beings all breathing things all creatures all individuals all personalities All females All males All no the ones All our links All dages All humans All those in the form of pains from enmity and danger be free from mental suffering be free from physical suffering